ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีอย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านเรื่อนรอไปทางอื่นเรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่นัาเป็นบุญยลาบ ของเราแล้วก็ให้คิดอย่างนั้นเพรร่างกายอันนี้มันมีคุณค่าต่อตัวเองอย่างมหาศาลถ้าว่าบุคคลรู้จักใช้จ่ายให้รู้จักใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์มากอย่างพระพุทธเจ้านี่เนี่ย เพราะองค์เกิดมาในโลกนี้อาศัยบุญกุศลทีเพราะองค์ได้สะสมมาแต่ก่อนมาตกแต่งรูปกายอันสวยงามสมบูรณ์บริบูรณ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอามรคนิพาน รือว่ารองรับเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงได้ตัดรูเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเพราะพระองค์ทำความดีฝึกตนมาเกิดมาชาติใดก็ฝึกตนไม่ปล่อยให้ร่างกายนี่มันทุดโทมแตกดับไปเสียเปล่า แม้เราผู้เป็นสาวกไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องฝึกตนตามพระศาสดาจึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าบุญกรรมตกแต่งร่างกายนี้ให้มาแล้วพาร่างกายนี้ไปทำความชั่วหนึ่งแล้วเกียรคิคราหนึ่ง ไม่เอาไหนในหน้าที่การงานอย่างนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายนี้นะ่ะมีแต่มันจะชุดโทมไปชุดโทมไปเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วก็แตกทำลายลงเท่านั้นแหละให้พากันภาวนาพิจารณาดูให้ดี อ้การที่บุคคลมีศรัทธามาบวชก็ดีหรือมาปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนานี่ก็ต้องให้รู้จักจุดมุ่งหมายของตนถ้าไม่รู้จักจุดไหมแล้วทำไปซื่อๆไปอย่างนั้นมันก็ไม่หนักแน่นนะ จุดหมายก็เพื่อที่จะชำระจิตตวงนี้ให้หมดจดจากกิเลสป่าประธรรมต่างๆก็ให้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมลงที่จิตนี้หมดสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีเจ็ดเป็นผู้แบกภาระทุกอย่าง ทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วจิต ท, ที่ไม่ฉลาดมันก็สร้างทั้งทั้งความดีทั้งความชั่วขึ้นมาจิต ท, ที่ฉลาดมันก็สร้างแต่ความดีความชั่วไม่สร้างมันให้เจริญงอกงามขึ้นในตนสร้างพยายามสร้างกุศลคุณงามความดีให้เจริญขึ้นในตน นั่นเรียกว่าจิตฉราดจิตฉราดได้ต้องอาศัยการสดัตตรัพังในอาศัยการน้อมความรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็าไปพินิษพิจารณาอยู่ในใจจนให้เห็นรูเห็นทางออกจากทุกข์ได้เพราะว่าคำสอนของพรพุทธเจ้านั้น ยอมเป็นเครื่องที่หนทางออกจากทุกนแน่นอนแต่เมื่อบุคคลใดไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่ก็ไม่อยากออกจากทุกเมื่อไม่อยากออกจากทุกก็ไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเหตุผลนะ ผู้ที่มาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเริ่มตั้งแต่เกิดมาก็มาเห็นความย่งยากในหมู่มนุษย์เกิดมาแล้วก็มาแย่งกันซื้อแย่งกันสายแย่งกันกิน แล้วก็เบียดเบียนกันทำความทุกข์ให้แก่กันและกันโดยประพฤติไม่เป็นธรรมต่อกันเพราะอาศัยความโลภมากอยากได้หลายอาศัยความโกรธความไม่พอ อ, อกพอใจเป็นมูลเหตุทำให้คนเราเบียดเบียนซึ่งกันและกัน นี่ต้องเบื่อนายความเป็นอยู่ความเป็นไปของชีวิตอย่างนี้เสียก่อนมันถึงจะยินดีพอใจในการที่จะพยายามหาหนทางออกจากทุกขในโลกนี้ได้นอกจากความทุกข์อันเกิดจากการเบียดเบียนกันกัน ทำความไม่เป็นธรรมต่ อ, อ ก, การและกันแล้วก็ยังมาทุกข์แก่ทุกเก็บทุกตายเข้าไปอีกไอความทุกข์จะหมายถึง จ, จิตใจที่วันไว้ไปตามกิเลสความชั่วร้ายทางหลายในโลกนี้หนึ่งจิตใจวันไว้ไปด้วยอำนาจแห่งความแก่ความเจ็บความตาย ความแตกคทำลายของร่างกายอันนี้หนึ่งเนี่ยเหตุที่มันจะทุกข์ใจนะให้พากันเข้าใจผู้ที่ท่านไม่ทุกข์ใจนั่นหมายความว่าท่านรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นแม้ภายนอกก็ดีภายในก็ดีภายในนะั่นหมายเอา กิเลสกรรมวิบากมันเกิดขึ้นในใจแล้วสนองร่างกายให้ร่างกายทุดโทมวิบัติแป ล, ป, ลปูนไปอย่างนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นแล้วกว็หวนไหวไปตามจึงด้เป็นทุกข์เดือดร้อน ถ้ารู้เท่าว่ากดแทงกรรมกรรมมันสร้างรูปสร้างนามอันนี้ขึ้นมาแล้วกดแทงกรรมไม่เที่ยงฉันใดรูปนามที่กดแทงกรรมตกแต่งขึ้นมาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อกดแทงกรรมนั่นวิวัติแปรปรวนไป ร่างกายก็พิบัตแิแตปวนไปตามกันเมื่อกดแทงกรรมนั้นมันดับลงร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทําลายลงนี่ต้องรู้เท่าสภาพความจริงหรือรู้เท่าเหตุปัจจัยของร่างกายดังกล่าวมานี้ ตามเป็นจริงแล้วถ้ารู้เท่าแล้วก็ไม่หวนไหวแหละเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ทนยากสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของตัวตนแกนสารของเราเมื่อรู้ว่าสิ่งภายในคือ นามรูปอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วภายนอกมันก็จะใช่ของเรามาแต่ไหนมันไม่ใช่ทางนั้นเละตั้งแต่ร่างกายนีย่อุปธรรมบำลงอยู่ทุกวันทุกคืนมันก็ยังไม่อยู่ในบังคับบัญชาแล้วสิ่งที่อยู่นอกกายเนี่ยมันจะได้อยู่ในบังคับบัญชามาแต่ไหน เงินทองหามาได้แล้วแทนที่จะตั้งมั่นอยู่ต่อตลอดไปไม่มีทางหน่อยหนึ่งก็ไปเบิอกออามาใช้หามาไม่ทัน เ, เงินเก่าก็กลอยหล อ, อ ก, ก็หมดไปแล้วก็เงินใหม่ก็หามาไม่ทันอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เกดร้อนแล้วอย่างนี้แหละโลกอันนี้มันเป็นโลกการแสวงหา ไม่ใช่เราจะเกิดมาแล้วมานั่งเสวยผลอยากได้อะไรก็นึกเอาตามมาสงค์เหมือนอย่างเทวดาอยู่วนสวรรค์น่ะไม่มีทางเป็น อ, อย่างนั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนนับแต่ร่างกายนี้ออกไปอย่างว่านี้แล้ว ก็จะปล่อยให้มันทุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าร่างกายอันนี้นะความหมายนะอรือเร่งทำความดีเข้าไปผู้ใดอยู่ในเพศใดไวใดอยู่ในสถานะเช่นใดก็ทำกุศลกุณงามความดีอยู่ในฐานะเช่นนั้น ไม่ต้องอ้างนั้นอ้างนี้อะไรอ้างแล้วไม่เป็นผลหรอกเพราะว่าอุปสรรคมันย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาอุปสรรคของร่างกายนี่ของชีวิตนี่นะมันมีอยู่อย่างนั้นแหละบุคคลใดฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตนี้ไปไม่ได้ก็ทำความดีไม่ได้ อุปสรรคของร่างกายอแปรมาร่างกายก็สุดโซมโรคภัยเบียดเบีน้น อ, อย่างนี้แหละไม่มีกำลังวางชาที่จะทำการทำงานทำความดีต่างๆได้เมื่อเวลาร่างกายเป็นปกติแข็งแรงดีอยู่เพลิดเพลินโมโห เ, เสีย เมาแต่เรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารเช่นเมายินดีเพิดเพลินไปในมอหรสกครบงานเพิดเพลินมัวเมาไปในความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงตุราไปหาซ่องเสพจะของมืนเมาครบแต่เพื่อนที่ไม่ดี อ้าวไปมัวเมาเล่นการพ น, นันเงินทองได้มาแล้วก็ไม่มีเหลืออันนี้นะต้องพิจารณาให้มันเห็นไอความชั่วนี่นะ่ะมันก็มีเป็นคู่กับความดีคำว่าหลักความชั่วอย่างเช่น ละความเป็นนักเลงเจ้าชู้เสียอย่างนี้ลราก็ตั้งหน้าหาเงินหาทองแต่งงงแต่งงานเอาตามประเพณีนิยมสำหรับผู้ครองเรือนทำการทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นหลักเป็นแรง เมื่อเว้นจากการดื่มเหล้าเมาสุราแล้วอย่างนี้นะเราก็ตั้งตัวเป็นคนดีรีบเร่งหาการหางานทำให้ได้งเงินทองเข้าของมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเพราะว่าบุคคลเมื่อส่องเสพของมึนมเมาอยู่เนี่ย ทำการทำงานอะไรก็ไม่ได้เต็มที่เวลามึนเมามาแล้วไม่มีสติทำการงานอะไรก็ไม่ได้ปล่อยให้เวลามันเสียไ ป, ปเปล่าๆหากินไม่ทันเขาพวกเขาไม่มึนไม่เมาอย่างนี้เขาก็หน้าทําการทํางานทํานาทําสวนทําการค้าการขาย ทำขษัริจากการงานเมืองอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะคนไม่เมาเนะ่ะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีจักชั่วเขาก็เว้นทางผิดดำเนินในทางที่ถูกความเจริญแห่งชีวิตก็ย่อมเกิดมีถ้าเป็นนักบวดอย่างนี้ ก็เมื่อเราได้เว้นจากความชั่วเหล่านั้นมาแล้วอย่างนี้นะมาชำระ ก, กายวาจ่าใจให้นให้สะอาดปราศจากบาปประทำกรรมมันชั่วในเบื้องต้นเนี่ยได้แล้วมันก็นยังตั้งแต่กิเลสอุปาทานในส่วนที่ไม่พินบาปส่วนที่พาให้ เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอราจะในมาเพียรไม่ยามภาวนาเจริญสมถะวิปัสนาสอนใจในให้ละความยึดความถือในธาตุสี่ขันห้านี่แหละเพราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอื่งนี้นะ มันเป็นทุกข์อยู่ในโลกสานิวาทเทียวเกิดเทียวตายอยู่นี่ก็เพราะจิตมันหลงยึดหลงถือขันห้านี่ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางไม่เพียรพยายามภาวนาทำจิตให้สงบงไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นคนเราเมื่อไม่มีปัญญาแล้วก็สอนตนไม่ได้ เมื่อสอนตนไม่ได้แล้วก็ละความชั่วทำความดีก็ไม่ได้พงวางขันห้าก็ไม่ได้มีแต่หวงเห็นถือว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นนะให้พึ่งพากันพิจารณาให้ดีเท่าที่นำเอาคำสอนของพระพุเจ้ามาแสดงให้ฟังโดยสรุปแล้ว ก็ต้องการแนะนำให้ผู้ประพฤติทมทั้งหลายได้มามองเห็นคุณค่าของร่างกายอันนี้ว่าบุญตกแต่งให้มาแล้วบุญกุศลที่ตนทาแต่ก่อนนั่นอันนี้สงทานอันนส้ส์ศินอันนีงสนนงการเคารพ น, นอบน้อมต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันนี้สองเ่านั่นแหละนำมาให้เกิดเป็นคนขึ้นมาได้ถ้าบุคคลไม่ได้ทำความดีอย่างว่านั้นจะเกิดเป็นคนมาไม่ได้เลยถึงว่าพ้นนรกแด้ามาเกิดเป็นคนก็ทาดีอะไรไม่ได้คนขี้กระจอกออกง่อยมีร่างกายก็ไม่สมบูรณ์จิตใจก็ไม่สมบูรณ์ ทำความดีอะไรให้มากมายไม่ได้ทำความดีก็ได้แต่นิดๆหน่อยๆเท่า น, น, น, น, น, น, นั้นเองอนี่แหละเมื่อรู้ว่าบุญคุศสนจกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็รีบใช้กายวาจานี่ทำความดีเข้าไปความดีนี่มันก็มีเป็นขั้นตอนตามเพศตามภูมิ ความดีของครืหัดก็พยายามละบาปกรรมอันชั่วห้าอย่างนั้นใได้แล้วพยายามทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่ายินดีไปในทางความชั่วทำอย่างไรความโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี้จัดน้อยเบาบาง ออกไปจากกิดใจของตนก็พยายามกระทาบำเพ็ญเพียรทางกิดใจเพราะกิเลสทางหลายมันอยู่ใจเท่านี้เหละไม่ได้อยู่ที่เอืน่นบากครามความชั่วก็อยู่ที่ใจนี่ไม่ได้อยู่ที่เอืน่นดังนั้นเราจะไปล่ความชั่วที่อื่นนั้นมันไ ม, ไม่ได้อะอต้องล้าที่ใจ ต้องพยายามสอนใจให้ปรุงให้วางอย่าให้มันยินดีพอใจไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าให้มันยินดีพอใจไปในไปลักไปล่อไปหลอกลวงชวโชกโกงเอาสิ่งของของผูืนมาเป็นของตนพยายามสอนใจอย่าให้มันไปยินดีใน ภรรยาของคนอื่นอยาให้มปนยินดีในสามีของคนอื่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีให้ทำความจงรักภักดียินดีพอใจอยู่ในตจในสามีภรรยาของตนแล้วจะให้มันยินดีพอใจในการพูดโกหกหกกลมพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเล้วไหลต่างต่างหัเนี้ย พยายามฝึกขนพูดตั้งแต่คำจริงพูดแต่คำอ่อนหวานอ่อนโยนต่อกันแลยกันพูดสมืนไม่ตีจิตต่อกันแลยกันพยายามประหยัดคำพูดถ้าคิดว่าไม่ไม่มีประโยชน์แล้วอย่าไปพูดมันพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์มันก็กลายเป็นโทษไปก็มี ดังนั้นอ่ะต้องสำรวมระวังคำพูดให้ดีแล้วเพียรพยายามสอนใจอย่าให้มันอยากดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษทต่างๆหมดนี้ผูใ้ใดส่องเสพให้มึนเมาให้จนติดเข้าไปแล้วมีแต่นำความชิบภายมาให้ เงินทองมีเท่าไรก็เอาไปจ่ายซื้อของเสพติดเสียหมดดีไม่ดีสามีภรรยาทะเลาะวิวาทกันอย่าร้างกันไปตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งก็ไม่ได้เลยมีอยู่ทมไปในโลกนี้ถึงข่ากันตายเพราะการดื่มของมึนเมาด้วยกัเยอะแย ะ, ยะมูนี้นะ ในเมื่อตอนได้ร่างกายมาโดยบุญกุศลตกแต่งให้อย่างนี้แล้วอย่าไปทำบาปเมื่อไปทำบาปห้าประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างบาปกรรมนี้ก็จะนำตกแต่งร่างกายอันไม่เป็นที่พึงพอใจให้ได้อาศัยเช่นร่างของสัตว์นรกอย่างนี้นะร่างของสัตว์เปรตอย่างนี้ร่างอสุรกาย ร่างของสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ลองดูสิสัตว์เดรัจฉานจาพวกอื่นมองเห็นด้วยตาหนังแต่ร่างเสร็จสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์เทียบกันดูสิมันต่างกันยังไงอย่างนี้แหละเมื่อเรามาพิจารณาเทียบเคียงกันดูแลมนุษย์เราดีกว่าเช่นได้ต้องรักษาความเป็นมนุษย์ไว รักษาคุณธรรมของมนุษย์ไวการที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่แหละเป็นคุณธรรมของมนุษย์ที่ดีผู้มีคุณธรรมผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอไปคนเราเนะี่ยไม่รู้ตัวบางคนนะ่ะตอนมีจิตอิจฉาริษยาผู้อื่นอยู่ก็ไม่รู้ตัว ไม่รู้ว่าตนชั่วอยังถือว่าตนดีอยู่ก็มีนะคนน่ะํำเป็นอย่างนั้นพอทำนองภูเขาบางเส้นผมหรือว่าเส้นผมบางภูเขาอย่างว่านะี่โมราณท่านจึงว่าตดของตอนตดของคนอื่น เราเหม็นเบื่อเหลือทนถ้าเป็นตดของตนถึงจะเหม็นก็ไม่เป็นไรไอความชั่วของตนนั้นถึงจะมีอยู่มากมายก็ไม่เบื่อหน่ายมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นว่าไม่ดีแล้วคิดลาวีเบียดเบียนนี่ อันกิเลสของคนเราน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูในจิตใจของตนทุกคนว่ากิเลสอย่างนี้น่ะมันมีอยู่ในใจไห ม, มถ้ามันมีเรือรีบละมันออกไปมีฉะนั้นแล้วมันก็จะพาไปสู่ทุกข์แล้วพาไปทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่หลยให้พากันพิ จ, จารณาดูให้ดี กิเลสนะมันอยู่ที่ใจถ้าบุคคลมีสติสัมปัญญะคอยระมัดวังอยู่แต่ถ้าเผลอไปอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้ไวตนเผลอไปสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็รู้ตัวได้เร็วเมื่อรู้ตัวนะมันก็รีบกําหนดใจละกิเลสอันนั้นทันที ไม่ปล่อยให้มันฟักตัวจนแผ่นซ่านออกไฟมากมายกายกองเหมือนอย่างไฟแหละพอมันเริ่มติดเชื้อเขานิดหน่อยเธอในรีบเอาน้ำมาดับมันก็ดับไปเลยมันก็ไม่ได้ไหมลุกลามไปในที่อื่นฉันใดกิเลสในหัวใจของคนเรานี่ก็เหมือนไฟนั่นเอง ทีแรกเกิดขึ้นในใจกันนิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยเมื่อไม่ละมันเนี่ยมันได้เชื้อภายนอกเข้ามาอีกมันก็ลุ ก, กลามใหญ่โตขึ้นมามันถึงกับบัญชาให้กายวาจาใจทำความชั่วโดยไม่รู้ตัวอันนี้นะว่าสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นให้พากัน เพ่งพิจารณาจิตใจตัวเองในขณะที่นั่งภาวนาอย่าปล่อยใจคิดไปทั้งเงินให้มันสงบแน่วอยู่ภายในแล้วเพ่งพินิโตถ้ากิเลสย่างได้มีหากมันเผลอแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาแหละมันจะคิดจะปรุงแต่งขึ้นมา เมื่อรู้แล้วการที่กำหนดล้ามลงไปอย่าไปท้อถอยบางคนนะ่ะเมื่อกำหนดจิตเพ่งวินาลงไปสงบลงไปหน่อยหนึ่งแล้วกิเลสมันผลักดันเอาให้คิดให้ปรุงแต่งอะไรตัอไอะไรขึ้นมาท้อใจแล้วนึืว่าไม่ไหวเราไม่ไหวแล้วเราอะ่ะทายัางไงใจก็ไม่สงบ หยุดเสียไอ้อย่างนี้นะไม่ถูกต้องนะก็เพราะจิตใจนี่นะมันถูกกิเลสทุ่มหอมอยู่นั่นแหละพระศาสดาจึงเลย ส, สอนใหน้ทาความเพียรเพื่อกำหนดละกิเลสอันนี้ออกไปเพราะว่ากิเลสเป็นจิตเป็นผู้สร้างกิเลสขึ้นมา แล้วก็จิตเป็นผู้ลั ก, กิเลตนั้นจะให้คนอื่นละให้ไม่ได้เลยตนเนบูรสร้างมันขึ้นมาตนก็ต้องสอนตนให้ละมันอย่างนี้แหละเมื่อเอาเข้าจริงๆนะเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจการปฏิบัติทมในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อตนละมันระงับแล้วก็มีสติประคองจิตให้แนน่ให้ พักจิตไว้มันเท่าที่มันจะนานได้เพราะมันตกเป็นธาตุแห่งตัณหาตัณหารบเล่าให้คิดให้ปรุงให้แต่งจนเหนื่อยอ่อนพอแรงแล้วถ้าพอมาทําให้กิเลสอันนั้นส ง, งบลงไปแล้วจิตใจมันก็ส ง, งบลงวันนี้เราก็รักษาความส ง, งบอันนั้นไว้ให้มันได้นานเท่าที่จะนานได้ เพื่อพักผรนเอากำลังแล้วจะได้เจริญวิปัฒนาต่อดังกล่าวมา